กับคนที่มันหมดใจเมื่อหมดเวลาก็ไปจะเศร้ากันไปทําไมมันไม่ได้มีใครตายเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทํามันไปแบบนั้นเพราะความรู้สึกของเราตอนนี้นี่มันไม่ต่างกันก็เป็นนวัดท่าจักเดิมพอได้กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมือไม่แค่ใครแล้วก็ต่างคนก็ต่างเดินจะไปทางไหนให้ไปเถอะไปเลยเชิญแก้วนี้ให้รักห่วยแต่ จเมามันก็ไม่แปลกจะคุยค่อยคุยตอนเช้าตอนที่เมาก็แค่ความโสนมันก็มาอีกครั้งไม่มีคขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นจนร้องกันไปคืนนี้จัด ก, กันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ได้กว่าที่เคยก็แค่ความโสนมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาก ก ด, ดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนคิดจริงต้องมีักวันนานา้เข้ามาในที่ห้องหัวใจยังว่างกระสอทีลีบอแมนเศษทีหัวใจห่างหางถึกกินถืกอคว้างสิ่มีผู้ใดมาเอาใจไปรักษา ไม่มีเขาก็ไม่ตายตัวฉันเชื่อว่าอย่างนั้นจะล้องกันไปคืนนี้จัดกันไปให้พอดีแล้วเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าที่เคยก็แค่ความโสนมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้นจะคิดมาไปทำไมเราทุกคนก็เหมือนกันลองโสดไปสักหนึ่งปีรอให้ใจคนที่ิงต้องมีสักวัน มีสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นแม่เพียงเงาในวันที่เราเสียใจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแค่ว่าตอนนี้มันทอแต่เธอต้องเริ่มต้นใหม่เกิดเจ็บน้ำตาสิก็ลุกขึ้นมาเด โยกใหญ่ให้คนที่ตายจากใจเด็ ว, วันเวลาจะเป็นตัวบ่งทุกอย่างว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่และพร้อมจะเดินร่วมทังจะไม่มีวันที่ต้องกลับมาเสี ย, ยใจเหมือนในวันเดิมที่พลาดแต่พอขอเป็นครึชีวิต ท, ที่เข้ามาครูกันจนวันสุดท<ไ>้ายแค่เขาบ่หักบ่สนบ่แครบ่ได้ใส่ใจแค่โกใจร้ายบ่หักกันจริงมาทิ้งมาป๋าหลอกลวงแล้วก็หายไปอย่าไปสนอย่าไปแค่์อย่าไปใส่ใจโยแกลมจะลองดีใจโนบ่ได้ใครแต่โกรธในดังดกูยังไม่ตายก็แค่ความสนมันจะมาอีกครั้งไม่มีเขาก็ไม่ตา